มาคุยกันถึงเรื่องของพระธุดงค์ อย่างแท้จริงอีกองค์หนึ่ง หมายถึงการพาตัวไปจากความปรุงแต่งทั้งหลายถึงการพาอันเป็นเนื้อแท้แห่งธรรมชาติไปจากความปรุงแต่ง การดับทุกข์อย่างสําเร็จเด็ดขาดๆทั้งสิ้นไม่หวั่นกลัว หลังจากหยุดยั้งการศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมเมื่อสอบสนามหลวงได้นักธรรมเอกแล้วหลวงพ่อจำปี่ก็ออกธุดงค์เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2499 เวลานั้น เพื่อจะไปยังถ้ำตองซึ่ง 20 กิโลเมตรเชียงใหม่สมัยนั้นพื้นที่ส่วน ทำให้วิถีชีวิตของชาวเชียงใหม่ดำรงอยู่ในกวางหากินชนีห้อยโหน สัตว์เหล่านั้นจึงอยู่อย่างเป็นปกติสุขเนื่องจากไม่มีมนุษย์ ที่ถ้ำตองหลวงพ่อจัมปีก็เข้าๆถ้ำก็มีแหล่งน้ำเป็นลำ กายเวทนาจิตธรรมต่อไปถอนคลายจนกระทั่งเกิดความเบื่อหน่ายต่อความไม่เที่ยงนี้ได้อย่าง เมื่อใดที่จิตรู้ซึ้งถึง ทั้งยังสามารถจับได้ไล่ทันเจ้าตัวกิเลสไม่ว่าจะเป็น นั่นก็คือสู้กับจิตของตัวนั่นเองก็คือสู้กับจิตของตัวนี่เป็นคู่ วัดป่านี่ไม่ถูกกับกิเลสหรอกกิเลสมันต้องการจะเอาเตียงนอนมันอยากจะนอนเสือได้เสืออยากได้ผ้าปูที่นอนแต่เวลาเดินธุดงค์จริงๆแล้วมันไม่มีจะให้มีแต่ป่ารกรกไปด้วยต้นไม้เครือไม้ใบไม้หล่นซ้ำยังมีมดเช่นเสืองูพิษ พอจะโยกย้ายไปไปมามาเรื่อยๆมันก็ กองขยะนี้คงจะดีเอานอนนอนขดอยู่ได้พักเดี๋ยวเอาคันอ่าหมาหัวหน้าผมก็ทุกข์เพราะเจ็บ อย่าบอกว่าอยู่ป่าไม่ดีสู้วิ่งไปวิ่งมาอย่างหมาหัวเนาวไม่ๆในที่สุดก็หมดไปพวกเธอเช่นถ้ําตองกายใจรู้สึกสงบ ขณะกำลังสำรวมจิตให้สงบอยู่ก็มีงู เมืองงูเลื้อยเข้ามาถึงข้างๆตัวหลวงพ่อ เพราะแต่เมื่อตั้งสติได้ก็หักห้ามความกลัวลงไปถ้าขยับตัวลุกขึ้นก็ไม่ เมื่อคิดว่าตายเป็นตายอย่างนี้จิตก็เกิดความกล้าหาญขึ้นมา งูตัวนั้นขดนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก็ ส่วนตัวท่านก็จะเตรียมบริขารการทุรดงออกจาริกสู่ป่าเขาแนวไพร งานกล่าวถึงพูดถึงการทุดงของพระกรรมฐานนั้นไม่ยากแต่เมื่อออกไปสู่เส้นทางทุดงจริงๆปฏิบัติจริงๆและเผชิญกับความจริงอย่างนี้ทั้งหักอย่าง ว่าพระภิกษุในพุทธศาสนาเวลาเนี้ยท่านผู้ฟังแบ่งเป็นคือฝ่ายปริยัติมุ่งในการศึกษาท่องบนตำรา คุณสมชายมีโอกาสบวชแล้วก็ไปจําพรรษาอยู่ มีแต่เนื้อล้วนๆแล้วก็ตรงจุดสุดยอดแต่ว่าให้ศึกษาจากในกายในใจของตัวเองเทศเรื่องจิต บางองค์ก็ดูว่าท่านดุได้ซ้ําไปคุณ ใครว่ามีพระอรหันต์อยู่ที่ไหนเป็นเที่ยวเสาะหาครูบาอาจารย์ อ่าของอาจารย์นั่นสิดีอาจารย์นั่นสิดีถึงเคยไปกราบหลวงปู่นั่นอาจารย์นี่ไปมาแล้วนะ 10 กว่า ถ้าไปพบครูบาอาจารย์แต่ละท่านแต่ละองค์มีปฏิบัติ พวกเรานี่ส่วนใหญ่มักไปวัดไปไหว้ท่านอาจารย์ด้วยจุดประสงค์ไปขอชมบุญบารมีของท่านไปดูๆอ่ะนะไปดูวัดเออไม่รู้ เวลาท่านอาจารย์ท่านเทศน์ท่านสอนก็ไม่ค่อยตั้งใจสนใจฟังก็ไม่ค่อยจะได้อะไรเท่า เย็นใจตัวบาปคือใจไม่สบายใจเดือดใจร้อนถ้าใจเราทําดีแล้วทําอะไรก็ดี พี่น้องไม่ใช่ให้พ่อแม่สร้างให้ไม่ใช่ตํานี่เราสร้างเราเองส่วนบุญบุญคือ มันเกิดไม่ดับไหนก็ดับตรงนั้นไม่รู้จักที่เกิดจะไป ไม่ต้องไปดับตาดับหูไปดับตาดับหูดับจมูกดับลิ้นดับกายดับที่ใจถ้าจิตยังมีทุกข์อยู่ครับเหล่า ยอดพระป่าองค์หนึ่งท่านใช้คําพูดง่ายๆครวนถึงจะได้เห็นคุณประโยชน์หลวงปู่ดูนอตุโลท่านก็เป็นพระป่าอีก 19 ปี ท่านก็มาจําพรรษาอยู่ที่วัดบูรพารามจังหวัดสุรินทร์ 2526 วาทะของหลวงปู่ดุลเนี่ยน่าฟังน่า จึงจะเป็นมรรคผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตเป็นนิโรธผู้ใดหลงไหลในตำราและ ก็ขอให้ท่านเอาผ้ามาห่มให้เค้าถ่ายรูปด้วยเพราะว่าตอนถวายเนี่ยไม่อ่าจะขอ โยมก็ไม่ค่อยพอใจหลวงปู่ทราบมั้ยครับหลวงปู่ก็ยิ้ม มีคนนึงก็กราบเรียนถามหลวงปู่ว่าเอ่อฮะอย่างไหนวิเศษกว่าว่าอ่าเมื่อไฟไหม้ <laughs> <c oughs> และอุตส่าห์ทําบุญเข้าวัดปฏิบัติธรรมทําไมบุญกุศลถึงไม่ช่วยทําไมธรรมะไม่คุ้มครองป้องกันก็ทําให้หลายคนเลิกเข้าวัดความ นี่ผู้มีธรรมะผู้ปฏิบัติธรรมะเมื่อประสบกับภาวะอย่างนี้จะวางใจยังไงถึงจะไม่เป็นทุกข์อย่างนี้กันไม่ใช่ธรรมะช่วยใช่อย่างนั้นมีผู้ ความเป็นอรหันต์ได้เนี่ยเคยมีบ้างมั้ยครับหลวงปู่หมอบางคนน่ะรู้จัก ของวาทะโอวาทคําสอนของหลวงปู่ เพราะผู้นั้นมั่นหมายฝ่ายเจริญผู้นั้นมั่นหมายฝ่ายสวัสดีครับ